บทที่ห้าสิบเอ็ดงานศพตะแปะเตีย ว, เ, ยวเดือนต่อมาวงดนตรีคณะจรุนรัตก็พร้อมที่จะออกงาน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 มีทาบุญถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ตลอดเจ็ดวันวงดนตรีจึงต้องทำหน้าที่บรรเลงทั้งกลางคืนและกลางวันงานศพตะแปกเตี๋ยวจัดขึ้นอย่างสมเกตเนื่องจากสมพานตรงเป็นพระภิกษุที่มีผู้เคารพนับถือมากท่านเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเคยไปเล่าเรียนปริยัติมาจากบางกอกช่วงที่นิยมบิดาไปอยู่ที่วัดยานาวา เพราะถูกตาแป๊ดเตียวบังคับให้สืบส่วนด้านการปฏิบัตินั้นท่านได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรตาแป๊ดเตียวบิดาของท่านมีอาชีพฆ่าหมูขายและต้องการให้ท่านสืบทอดอาชีพนี้แต่ท่านไม่ต้องการทำบาปจึงหนีไปบวชเนรอยู่กับสมภากรกลางที่วัดพุทธาราม ตาแป๊ดได้ตามไปรังควานจะให้ลูกชายศึกออกมาช่วยขายหมูสมะเนนตรงก็จึงหนีไปอยู่ที่วัดโบสถ์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพุทธารามโดยมีแม่น้ำเจ้าภรยากั้นกลางสมะเนนตรงอยู่ที่วัดโบสถ์กระทั่งอายุครบบวชสมภารกรอดแห่งวัดโบสถ์จึงได้ทําพิธีอุปสมบทให้ ต่อมาตาแป๊ะได้จ้างชายชกันสองคนมาจะให้ทำร้ายพระลูกชายหากว่าท่านไม่ยอมศึกภิกษุตรงจึงต้องหนีไปอยู่เสียที่บางกอกเพื่อมิให้บิดาตามไปรังควานได้ท่านไปอยู่วัดยานวาเจ็ดปีได้ศึกษาปริยัตยนจนแตกฉานเมื่อกลับมาสมภารวัดพุทธารามรณภาพ ท่านจึงได้เป็นสมภารแทนเมื่อสองปีก่อนตาแป๊เตียวได้ขอร้องให้ท่านสมภารศึกบังเอิญสมภารตรงได้รักใกล้ชอบพอกับนางสาวสายทองลูกสาวในอำเภอพรงบุรีจึงตัดสินใจที่จะลาศิกขาเพื่อมาแต่งงานอยู่กินกับคนรักท่านได้พูดกับโยมบิดาว่าออกพรรษาจะศึก เหลือเวลาอีกสามวันจะออกพรรษาตะแปะก็มาเป็นลมตายซิก่อนนายอำเภอจึงทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพงานศพด้วยเห็นว่าสมพันตรงกำลังจะเป็นบุตรเคยของตนงานสวดพระอภิธรรมศพตะแปะในคืนแรกผ่านไปได้วยความเรียบร้อยมีคนมาฟังสวดแน่นสาราเพราะทั้งสมพันตรงและนายอำเภอต่างก็มีชาวบ้านนับหน้าถือตา แม้แต่แป๊ดเตี๋ยวจะเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งตำบลแต่พวกเขาก็เห็นแก่สมพานตรงจินพากันมาช่วยงานอย่างคับข้างดนตรีเขาบรรเลงได้ไพเราะละเกินหัวหน้าวงก็รูปลอหน้าตาเหมือนพระเอกลิเกยังไงยังงั้นสตรีสาวผู้หนึ่งพูดขึ้นนี่ถ้าเป็นพระเอกลิเกแกคงตามไปเป็นแม่ยกละสิ สามีนางขัดคอเดือรู้ว่าภรรยาชอบไปหลงพระเอกลิเกถึงขนาดยักยอกเงินทองไปให้กันไม่รอกหน้าค้าสัญญาว่าเลิกก็ต้องเลิกไม่อยากถูกแกซ้อมอีกทำราวกับข้าเป็นวัวเป็นควายภรรยาเพาะยังจำรสมือรสเท้าของสามีได้ไม่มีวันเลืมเลือน ข้ารู้สึกคุ้นหน้าพ่อหนุ่มคนนี้จังแกลองนึกซิว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครสามีเปลี่ยนเรื่องพูดเห็นเขาว่าเป็นหลานยายจางคงจะเป็นลูกแม่เลียมหรือว่าลูกแม่จวนนี่แหละข้านึกออกแล้วลูกแม่จวนไงละ่ะผัวแม่จวนคือทิพย์พองเป็นลูกชายหลวงทารา พ่อหนุ่มคนนี้คงได้เชื้อสายมาจากปู่ถึงเตีวระนาดเก่งปานนั้นข้าจำได้แล้วลูกชายทิดพองนั่นเองผู้คนกำลังเดินกลับบ้านต่างพากันกล่าวขวัญถึงวงดนตรีคณะใหม่พวกที่กำลังมีงานโกนจุ ลูกหรือว่าแต่งงานต่างหมายมั่นว่าจะจ้างดนตรีคณะนี้ไปบรรเลงยิ่งหัวหน้าวงเป็นหลานชายของหลวงธาราความนิยมชมชอบก็มีมากขึ้นถึงหากเขาคิดราคาค่าจ้างแพงลิบๆลก็จะกัดฟันสู้ถ้าเงินไม่มีพอก็จะขอยืมจากญาติมิตรแล้วค่อยหามาใช้คืนในภายหลัง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 คนเป็นหัวหน้าวงดนตรีมองไปที่โลงศพอย่างหวัดหวาดคิดปลอบใจตัวเองว่าผีไม่มีในโลกแต่เมื่อเสียงนั้นดังอยู่อีกใจก็ฟอหันไปมองท่านสมพานเหมือนจะขอคำอธิบายสมพานจึงบอกพระที่นั่งติด ก, กับท่านว่าลองปีนไปดูซิเผื่อหนูหรือว่าแมวมันตกลงไปในนั้นแล้วขึ้นไม่ได้ พระรูปนั้นมีท่าทางลังเลแล้วจึงหันไปบอกพระอีกรูปหนึ่งว่าท่านไปดีกว่าผมปีนไม่ค่อยเก่งกลัวจะพลัดตกลงมาขาแข้งหักท่านไม่ได้กลัวตกกรอบผมรู้ว่าท่านกลัวผีแต่ไม่เป็นไรผมจะไปดูเองพูดจบก็ลุกขึ้นไปยังโลงศพปีนขึ้นไปยกฝาลงออก สักครู่หนึ่งก็ตะโกนลงมาว่าคนตายฟื้อนแล้วคนตายฟื้อนแล้วได้ยินดังนั้นสมภารตรงจึงลุกจากอาสนะปีนไปดูบ้างครั้นเห็นจริงตามที่พระลูกวัดบอกจึงสั่งให้คนมาช่วยกันยกลงศพลงร่างของตาแปะถูกหามออกจากโลงมาวางบนเสือ่อแกมีท่าทางอิดโรยหวาดกลัว กรอกตามองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วก็มาหยุดนิ่งที่ดวงหน้าท่านสมภารพยายามจะพูดด้วยทว่าไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากปากซี่เซียวคู่นั้นในอันเภอซึ่งนั่งติด ก, กับบุตรสาวจึงสั่งให้คนไปตามหมอมาบังเอิญแพทย์ประจำตำบลก็มาฟังสวดอยู่ด้วย เขาขอตัวเอาร่วมยาที่บ้านซึ่งอยู่หน้าวัดแล้วกลับมาเยียวยาตะแปะ๊ะนางสาวสายทองไปหาข้าวต้มอุ่นๆมาป้อนให้แกจนพอมีแรงแล้วจึงเล่าให้ทุกคนในที่นั้นฟังว่าแกไปตกนรกมาพญายมราชให้โอกาสกลับมาแก้ตัวโดยให้ถือศีลแปดตลอดชีวิตเรื่องราวที่ตะแป๊ะเตียวเล่า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 พญายมาราชสั่งมาให้แกปรนนิบัติรับใช้สงภานตรงเพื่อชดใช้กรรมที่เคยทํากับท่านตั้งแต่ท่านเป็นสมณะกระทั่งเป็นพระภิกษุตะแป๊ะเตียวไม่เชื่อเรื่องนรกและบาปบุญคุณโทษมาก่อนครั้นได้ประสบกับตัวเองก็เชื่อสนิทแน่นแฟ้นแกอ้อนวอนจนกระทั่งลูกชายยอมรับปากว่าจะไม่สึก หัวหน้าวงดนตรีคณะเจ ร, ริญรัฐรู้สึกสับสนเขาไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่ตะแป๊ะเล่าครั้นจะว่ากแกร่งกุเรื่องราวขึ้นมาหลอกชาวบ้านเขาก็สงสัยอีกว่าแกจะทำไปทำไมและที่ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ก็คือแกจะทนอยู่ในโรงแคบๆในลักษณะถูกมัดมือมัดเท้าด้วยได้สายสิน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 หัวหน้าวงดนตรีคณะจารนรัฐขอประกาศให้พ่อแม่พี่น้องทราบทั่วกันว่างานนี้เป็นงานแรกที่คณะของเรามาบรรเลงท่านในอำเภอได้ว่าจ้างกระผมให้มาเล่นตลอดเจวันเจคืนแต่เมื่อเหตุการณ์กลับตลปตัดเช่นนี้กระผมจึงไม่ขอรับค่าจ้างครับผมขอทำบุญกับท่านสมพาน ขอกุศลผลบุญจงบันดาลให้คณะเ จ, จ, จริญรัฐจงเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงระเบือไปทั่วทิศทั้งสี่ขอบคุณครับสิ้นเสียงประกาศของเขาผู้ฟังต่างเปร่งเสียงอนุโมทนาสาธุการตะแป๊ดเตียวผู้ไม่เคยมีดนตรีในหัวใจมาก่อนกลับพูดขึ้นว่าขอบใจเลือ ม, มากอาตี ถ้ายังงั้งอ้วขอเพลงแขกลบบุรีกับราตรีประลับดาวช่วยเล่นให้อ้วฟังหน่อยสมพานตรงออกสงสัยว่าปิดารู้จักเพลงเหล่านี้ได้อย่างไรจึงถามโยมเตียรู้จักเพลงแขกลบบุรีกับเพลงราตรีประดับดาวด้วยหรือ อาตมาไม่ยักทราบมาก่อนอ้วใหม่รู้หรอกทั้งเพียงแต่อ้วอยากฟังแกตอบซื่อเมื่อเพลงราตรีประดับดาวจบลงคนฟังก็ตบมือกันเกลียวงานศพจึงกลายเป็นงานรื่นเริงผู้คนต่างพากันขอเพลง แต่ไม่ว่าจะขอเพลงอะไรมาทางวงดนตรีก็เล่นได้ทุกเพลงกว่างานจะเลิกก็เป็นเวลาเกือบสองยามและคงจะเป็นได้ว่าบุญกุศลให้ผลเห็นทันตาเพราะได้ผู้ติดต่อให้เขาไปเล่นในงานต่างๆถึง20สรายชายหนุ่มรู้สึกดีใจและคาดหวังว่าเขาจะต้องเจริญรุ่งเรืองในเรื่อง อาชีพที่ตนรักแม้จะดึกมากแล้วหากยายก็ยังไม่ยอมนอนเพราะความเป็นห่วงล้านชายครั้นเขากลับถึงบ้านจึงถามทำไมวันนี้เลิกดึกนักละไอ้หนูเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นครับยายทำไมยายยังไม่นอนล่ะครับถามอย่างอาธรก็พวกเองนะสิ ทำไมวันนี้ถึงเลิกดึกนักยายถามอีกชายหนุ่มจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นยายฟังและตั้งข้อสงสัยว่าไม่น่าเชื่อนะครับยายคนตายไปแล้วทำไมฟื้นขึ้นมาได้อีกไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกไอ้หนูสมัยเมื่อยายสาวๆมีคนข้างบ้านเขาออกลูกตาย ขอญาติพี่น้องเอาไปเผากลับฟื้นขึ้นมาตายไปตั้งสามวันยังฟื้นได้อีกรายหนึ่งก็แบบเดียวกันคือตายไปสามวันญาติก็เอาไปเผากลางคืนไปเข้าฝันต่อว่ากันใหญ่เลยญาติเขาก็มาเล่าให้ยายฟังว่าวิญญาณมาร้องห่มร้องไห้บอกกูยังไม่ทันตาย ทำไมเอากูไปเผายายเล่าเรื่องราวที่เคยประสบพบเห็นเมื่อสมัยยังสาวผมว่าเขาไม่ได้ตายหรอกอาจจะแค่สลบไปอย่างไรตะแปะนี่ก็เหมือนกันผมเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาคนตายแล้วจะไม่ฟื้นคืนชีพอีกหลานชายอ้างวิทยาศาสตร์เรื่องนั้นยายไม่รู้รอก เพราะไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์แคกก็ไก่ขอไข่ก็ยังไม่เคยเรียนเลยยายตอบง่ายๆชายหนุ่มจึงเปลี่ยนเรื่องคุยสงสารสมพาน์ท่านยายกว่าจะตัดสินใจได้ผมเห็นหน้าท่านเครียดเชียวใจนึงก็รักเตียอีกใจก็รักสาวเป็นผมเห็นจะเลือกสาวละยาย หลานชายแซงว่าเรื่องของเองแต่ท่านสมพานท่านเป็นคนกระตันยูนะยายเห็นมาตั้งแต่ท่านเป็นเด็กโยมแม่ท่านชื่อซาะ ก, กิมเป็นคนนิสัยดีแต่ตะแปะไม่ไว้ทำบาปหยาบช้าสารพัดนี่ทะลกชายไม่ได้บวชเป็นพระแก่ก็คงไม่ได้กลับมาจากเมืองนรก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 เดี๋ยวผมจะเขียนหนังสือสักหน่อยดึกป่านนี้แล้วเองยังจะเขียนอะไรอีกล่ะผมกําลังแต่งบทลิเกรครับยายเรื่องนางอรพิมพกับเท้าปาจิตจะได้มีเรื่องใหม่ๆบ้างไม่งั้นลิเกเล่นกันแต่เรื่องสังทองและก็เรื่องลักษณะวง์คนดูเขาพากันเบื่อแย่ก็ดี และเองจะเขียนได้หรือเรื่องยาวนะมีต่างหลายบทหลายตอนด้วยเท้าปาจิตในชาติต่อๆมาก็คือพระเวสสันดร น, นางอรพิมพก็คือพระนางมัตซีซึ่งพอมาเป็นพระพุทธเจ้าพระนางมัสีก็มาเป็นพระนางยโสธาราเป็นคู่เดียวในโลกที่ไม่เคยแยกจากกัน ไม่ว่าจะเกิดชาติใดพบใดก็ต้องได้แต่งงานกันยายรู้เรื่องนี้ดีหรอครับก็อพอรู้เอาอย่างนี้ถ้าเองจังตอนไหนไม่ได้ก็ให้มาถามยายก่อนแล้วกันแล้วยายจะเล่าให้ฟังคนอายุใกล้90สิขันอาสาดีจังงั้นวันนี้ยายพักผ่อนก่อนเถอะ ผมจะเขียนสักตอนและค่อยนอนไว้ติดตอนไหนค่อยถามยายวันหลังดีไหมครับดีก็ดีงั้นยายไปนอนละล้านชายลุกขึ้นประคองผู้เป็นยายไปส่งยังห้องนอนและจึงกลับมายังห้องของตนนางสาวจำแรงคืนห้องให้เขาแล้วยายไปนอนห้องเดียวกับยาย เขาจึงมีห้องส่วนตัวสำหรับการทำงานที่ตนรักนอกจากจะเป็นนักดนตรีฝีมือเอกแล้วชายหนุ่มยังหวังที่จะเป็นนักปรพันธ์มีชื่อคนอย่างเขาลองได้ตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะต้องทำให้ดีที่สุดช่วระยะเวลาเพียงปีเดียววงดนตรีคณะจารุยรัฐก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงเจ็ดคุ้งน้ำ ไม่มีใครไม่รู้จักชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่เป็นหัวหน้าวงเพราะนอกจากจะมีฝีมือทางดนตรีไทยแล้วบทประพันธ์เรื่องนางออรพิมพกับเท้าปาจิต ก, ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปลิเกแทบทุกคณะพากันมาขอลอกเอาไปแสดงชายหนุ่มใช้เวลาเขียนอยู่สามเดือนเศษจึงได้หนึ่งร้อยบทพอดี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 น้องชายซึ่งเป็นหัวหน้าวงได้ตักเตือนหลายครั้งจนครั้านที่จะเตือนและเมื่อพี่สาวให้เหตุผลว่าการดื่มเหล้าของตอนนั้นไม่ได้ทำให้เสียการงานน้องชายก็หยุดว่าไปโดยปริยายและที่เขาเถียงไม่ได้ก็คือยิ่งได้ดื่มเหล้าฝีมือการเตลระนาดของพี่สาวก็ยิ่งมีความไพเราะหากพูดกันอย่างยุติธรรม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 ถ้าเองไม่เลิกดื่มเหล้าอีกหน่อยเองต้องตายอย่างป้าเหลียนก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนางสาวจำแรงว่าหล่อนติดเหล้าจนเลิกไม่ได้ยอมตายซี่ยังดีกว่าไม่ได้กินเหล้าน้องชายฟังแล้วได้แต่นึกสลดใจสงสารป้าเหลียนสงสารถึงแกจะขี้เหล้าเมายาเขาก็ยังนึกถึงความดีของแก สมัยที่เขาเป็นเด็กเวลาแม่จวนไปตลาดมักจะอุ้มเขากระเตงกระเตงไปฝากไว้กับป้าเหลียนครั้งหนึ่งเขาเกิดหิวนมจึงร้องไห้ขอกินนมป้าเหรียญป้าแกไม่มีลูกจึงไม่มีน้ำนมให้เขากินครั้นจะบดข้าวกับกล้วยให้กินก็ไม่มีถ้วยและไม่มีไม้สำหรับบด เขายังจำได้ติดตาป้าเหรียนเอาข้าวกับกล้วยใส่ปากตัวเองเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็คายออกมาป้อนใส่ปากเขาความเป็นเด็กเขาจึงกินโดยไม่รังเกียจบัดนี้ถึงจะหิวสักปานใดเขาก็ไม่ยอมกินข้าวคลุกน้ำลายป้าเหรียนเป็นอันขาดแม่จวนเริ่มป่วยกระสาะกระแสะ ทั้งที่ยายยังดูแข็งแรงวันหนึ่งหนุ่มเจริญถูกเรียกตัวไปเยี่ยมมารดาแม่จวนนอนป่วยอยู่บนเสือจันทบูรณ์ครั้นเห็นเขาก็ถามว่าไอ้หนูปีนี้เองอายุเท่าไรแล้วยี่สิบเอ็ดครับแม่เขาตอบงั้นหรือถ้าเช่นนั้นก็บวชให้แม่สักพรรษาเถอะ ขอให้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองก่อนตายก็ยังดีผมไม่บวชหรอกครับแม่ผมเกลียดพระชายหนุ่มบอกมารดาภาพหลวงตาวัตโนโดผุดขึ้นในความคิดแม่ขอร้องเถอนะนึกว่าบวชทดแทนป้อนข้าวป้อนน้ำนมแม่แค่พันษาเดียวเท่านั้นชายหนุ่มใช้ความคิดอย่างหนัก หากไม่บวชก็จะต้องได้ชื่อว่าเนรคุณอีกประการหนึ่งคนอายุครบบวชเขาก็บวชกันคนละภาษาตามประเพณีนี่เขาอายุเลยบวชมาหนึ่งปีแล้วในที่สุดจึงบอกมารดาว่าตกลงครับแม่บวชก็บวชแค่ภรษาเดียวเท่านั้นนะครับฟังถ้อยคำจากปากลูกชาย แม่จวนปลาปรื่มจนน้ำตาไหล